จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สกันยายนพุทธศักราช2552ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะัส เป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริสั์ผู้มีจิตศรัทธาอย่างแก่กล้าได้ตั้งหน้าตั้งตามาวัดเพื่อมาเสริมมาสร้างความศรัทธาให้มีความมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกลายเป็นอาจารลสัทธาคือศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนศรัทธาที่ไม่เสือ่อมคลาย จากพระพุทธศาสนาการมีศรัทธานี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญก้าวหน้าในทางทางของพระพระพุทธเจ้าทั้งหลายทางสู่การหลุดพ้นทางสู่การบรรลุถึงมรรคผล น, ผนิพพานเริ่มต้นที่ความมีศรัทธานในพระรัตนตรัย คือในพระพุทธในพระธรรมและพระสงฆ์ถ้ามีศรัทธาแล้วก็จะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางด้วยการหมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะจากทางใดทางหนึ่งหรือหลายๆทางก็ได้แล้วแต่จะสะดวก เช่นจากการฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระเช่นวันนี้ก็ได้จากการอ่านหนังสือธรรมะที่ทางวัดได้แจกให้ท่านทั้งหลายนำไปอ่านก็ได้หรือจากการฟังแผ่นซีดีก็ได้หรือจากการฟังจากทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์ก็ได้ว่าการฟังธรรมนี้เป็นกิจกรรม ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องศรัทธาก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็เหมือนกับคนที่เดินทางโดยไม่มีแผนที่ไม่มีคนนำทาง แล้เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้ว่าสถานที่หรือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนั้นอยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้อยู่ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกแต่ถ้าเรามีแผนที่หรือมีผู้นำทางเราก็จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน ดังนั้นในเบื than, ้องต้นเราก็ต <cro kim> <global> ้องมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยควรจะฟังอาทิตย์ละหนึ่งครั้งดังที่สงตัดไว้ว่าการเลธรรมะสวนังเอตัมมังกัลลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาก็เช่นตามวันพระนี่เองตามวันธรรม วันธรรมัชสวรนระวันนี้เป็นวันที่เราต้องฟังธรรมกันถ้าเราไม่ได้ฟังวันอื่นเราก็ควรที่จะฟังอย่างน้อยในวันพระสักหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วก็ควรจะฟังบ่อยๆฟังทุกวันก็ได้ฟังเช้าฟังเย็นก็ได้บางท่านก็ฟังทั้งวันเปิดแผ่นซีดีที่บ้านทิ้งไว้ แล้วก็ฟังไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ฟังเทศไปดีก็ฟังอย่างอื่นที่มักจะสร้างความลำคาญใจสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเพราะการฟังสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ธรรมะนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ของกิเลสทงนั้นเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอาฆาตพยาบาท ฟังแล้วก็จะทำให้ใจของเรารุ่มร้อนไปกับเขาด้วยแต่ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วใจของเราก็จะเย็นก็จะสบายแล้วก็จะฉลาดจะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง mm. ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย คนเราสมัยนี้ขาดแสงสว่างกันมีเงินทองมีสมบัติมากมายแต่ไม่รู้จักใช้สมบัติใช้เงินทองให้เกิดประโยชน์กับจิตใจกลับไปใช้ในทางที่มีโทษต่อจิตใจของตนเช่นเอาไปใช้กับอบายยมุขทั้งหลายเศษสุรายามาเที่ยวกัางคืนเล่นการพนันอย่างนี้ ยิ่งใช้ไปเท่าไหร่ยิ่งยิ่งทําให้จิตใจวุ่นวายจิตใจรุ่ม ร, ร้อนไป จ, จิตใจยิ่งมีความอยากมากขึ้นอยากใดที่มีความอยากมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีความมะก็จะมีมากขึ้นตามไปความสุขก็จะน้อยลงไปทั้งทั้ง ท, ง ท, ง ท, งที่มีทรัพย์สมบัติเข้ากองเงินทองอยู่มากมาย แทนที่จะเอามาใช้ให้เกิดกับประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจก็ใช้ไม่เป็นเพราะไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนหรือไม่สนใจที่จะศึกษาร่่มเรียนนั่นเองถ้ามีเงินทองมากนี้น่าจะเป็นคนที่มีโชควาสนามากคือมีมากจนกระทั่งไม่ต้องไปทำงานทาการก็จะมีเวลาที่มาทำความดีในทางพระพุทธศาสนาได้เต็มที่ เช่นมาทำบุญได้ทุกวันมารั ก, รกษาศีลได้ทุกวันมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันเพราะไม่มีภารกิจการงานต่างๆที่ต้องทําเพราะมีเงินทองพอกินพ อ, นพอใช้อยู่ตลอดเวลาไปจนถึงวันตายถ้าได้มาวัดมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจก็จเจริญก้าวหน้า จนในที่สุดก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาผู้ใดที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นถือว่ามีความมั่นคงแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาไม่มีวันที่จะเสื่อมศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาก็ตามแต่จะไม่หวั่นไหว เพราะรู้ว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนเป็นอะไรแต่ถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเรายังไม่มั่นใจว่าพระพุทธศาสนานี้อยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่วิหารอยู่ที่เจดีย์หรืออยู่ที่พระถ้าเราไปถ้าเราคิดว่าอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่วิหารอยู่ที่เจดีย์พอโบสถ์วิหารเสื่อมซํอรโล เสื่อมโทรมชำรุดสุดโทรมเราก็จะเกิดความเศร้าใจหรือถ้าคิดว่าศาสนาอยู่กับผ้าพิกษุเมื่อเห็นผ้าพิกษุประพฤติตนไม่ชอบเราก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาได้เพราะเราไม่รู้จริงว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาที่แท้จริงนี้นอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่แสงสว่างแห่งธรรมที่จะเกิดจากการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นถ้าผู้ใดสามารถศึกษาแล้วนำสิ่งที่ตนได้ศึกษามาปฏิบัติให้เป็นปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติต่อการหลุดพ้น จากความทุกข์รับรองได้ว่าไม่นานก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือธรรมะจะปรากฏขึ้นมาในใจแสงสว่างแห่งธรรมปฏิปแห่งธรรมคือธ ร, รมโมปีโปจะฉายแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเห็นการเรียนว่ายาตายเกิด เห็นนรกเห็นสวรรค์เห <Excellent. S 1> ็นบาปเห็นบุญเห็นมรรคผลนิพพานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีเรารู้แล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเราเพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นตถาคตตถาคตแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพนานที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้ต้องเป็น ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนหรือเป็นสังฆังนั่นเองเป็นสังฆะเป็นสง์เป็นอริยสงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปบุคคลเหล่านี้จะไม่มีความเสื่อมคลายในพระพุทธศาสนาไปตลอดถึงแม้จะตายจากชาตินี้ไปพอกลับมาเกิดชาติใหม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วในโลกแล้วก็ตามแต่ก็ยังรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาอะไรเป็นนรกอะไรเป็นสวรรค์เพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจของตนแล้วบุคคลนี้มีแต่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าตามลำดับไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ โดยที่จะโดยที่ไม่ต้องมีพระศาสนามาคอยสั่งสอนก็ได้เพราะตนได้มีพระศาสนาอยู่ในใจของตนแล้วพระพุทธศาสนาจะเสริมไปอย่างไรพระภิกษุสงฆ์จะเสริมไปอย่างไรจะไม่ทําให้จิตใจของผู้ที่มีพระศาสนามีพระรัตนตรยัยคือมีพุทธมีธรรมมีสังขะอยู่ภายในใจ จะต้องหวั่นไว้ตามไปด้วยจะไม่มีความเสื่อมศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการปฏิบัติตรงในปฏิในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเยกิดบุคคลที่มีศรัทธาศรัทธาแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อไปบูชาสังเวชนียสถานทั้ง4ี่สถานคือที่ประสูม ที่ตัดสรู้ที่แสดงพระธรรมเทศนาและที่เสด็จดับขันธ์ปารณีพาจะไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อยืนยันให้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จริงพระอาริยสงสารวงของพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะสิ่งทั้งสามนี้คือพระรักษะตายนี ได้ปรากฏอย่างกระจ่างแจ้งอยู่ในภายในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปอินเดียแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ยังลังเลยังสงสัยอยู่ยังไม่รู้ว่าพระศาสนานี้อยู่ตรงไหนกหนันแน่อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่วัดอยู่ที่พระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดอาการเสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาตามไปด้วยเกิดไปศรัทธาพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดรูปหนึ่งแล้วท่านเปลี่ยนไปท่านประพฤตินี้ดีไม่ชอบก็จะทำให้เราเกิดความเสื่อมศรัทธาตามไปด้วยหรือวัดวาอารามหรือพระพุทธรูปถูกเขาทาลายเช่นพระพุทธรูปที่อยู่ในประเทศ ต่างประเทศที่มีคนต่างศาสนาเขาระเบิดทิ้งไปพอเราเห็นเข้าเราก็จะมีเกิดความรู้สึกอ่อนไหวมีความเสียเสีย เ, เสียอกเสียใจแต่ถ้าเรามีศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่รู้สึกอะไรเรากลับรู้สึกสมเพศคนที่กระทา ต่อพระพุทธรูปเพราะพระพุทธรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัญลักษณ์ของบุญของของกุศลของสวัรค์ผู้ใดได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วถ้ายังไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็จะเริ่มสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาแล้วก็จะเข้าใจถึงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้บูชาเราก็จะไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ที่จะเตือนเราหรือชี้บอกทางให้แกเรานั่นเองพระพุทธรูปนี้จึงเปรียบเหมือนกับป้ายบอกทางเวลาเราขับรถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเราจะเห็นป้ายเขียนอยู่ตามทางอยู่ตลอดทางว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงสถานที่นั้น อีกกี่กิโลเมตรจะต้องแยกไปทางนั้นมีบอกไว้ตลอดระยะทางเราขับรถไปเราก็จะไม่หลงฉันใดการมีพระพุทธรูปการมีวัดการมีพระสงฆ์องค์เจ้ามาคอยแสดงพระธรรมเทศนามาปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาที่แก่กล้า หรือผู้ที่ยังไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรคือนรกอะไรคือสวรรค์อะไรคือบุญอะไรคือบาปจะได้มีมีป้ายบอกทางจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนปรารถนาคือความสุขความเจริญห่างไกลจากความทุก์จากความเสื่อมทั้งหลาย จิตใจของเราทุกคนมีความปรารถนาเหมือนกันปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญไม่ปรารถนาความทุกข์ไม่ปรารถนาความเสือ่อมแต่ทำไมการปฏิบัติของเราจึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเรามีความเห็นชอบเห็นผิดต่างกันนั่นเองถ้าเรามีความเห็นชอบมากเราก็จะปฏิบัติไปทางหนึ่งถ้าเราเห็นมีความเห็นผิดมาก เราก็จะปฏิบัติไปทางหนึ่งเช่นคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็มักจะเข้าวัดมักจะทำบุญให้ทาน ม, มักจะรักษาศีลมักจะนั่งสมาธิไหว้พระสวด ม, มนต์ปฏิบัติธรรมกันแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิมากก็มักจะชอบเดองสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนชอบฆ่าสั์ตัดชีวิตชอบประพฤติผิดประเวณีเพราะเขาคิดว่านี่คือทางที่จะทำนำพาไปสู่ความสุดและความเจริญนั่นเองแต่มันเป็นความเห็นที่กับตลปัดเป็นถ้าเป็นป้ายก็เขียนผิดแทนที่จะให้เลี้ยวขวาก็เขียนไปเลี้ยวซ้ายผู้ที่ขับรถตามป้ายไป ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นในสัมมิชชาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิก็เป็นเหมือนป้ายบอกทางถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นป้ายที่บอกทางที่ถูกต้องแม่นยำถ้าเป็นมิชชาทิฏฐิก็จะเป็นป้ายที่บอกผิดทางไปผิดทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่ที่ต้องการจะไป ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพระธรรมคำสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อการมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนต่อการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริงอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมเทศธรรมสวัณนาขึ้นมาเนี่ยวันพระที่เราเรียกว่าวันพระนี้ความจริงเป็นวันธรรมะสวัณนาเป็นวันฟังเทศฟังธรรมเป็นวันศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะนําให้เราได้ไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง ในเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือต้องละเว้นจากอบายามุขทั้งปวงละเว้นจากการเสพสุร้ายาเมาละเว้นจากการเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวกลางคืนละเว้นจากการครบคนชั่วเป็นมิตรและละเว้นจากความเกลียดครา้าเพราะการกระทำทั้งห้าประการนี้เรียกว่าอบายามุข แปลว่าถานรสู่ความเสื่อมถานรสู่อบายยาภูมนั่นเองผู้ที่ได้เกี่ยวข้องกับอบา ย, ยามุกแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะไปทำบาปทำกรรมต่อไปจะไปลักทรัพย์จะไปประพฤติผิดประเวณีจะไปพูดปดมดเท็จจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเวลาที่เล่นการพนันแล้ว เงินหมดเงินหมดก็อยากจะหาเงินมาเล่นใหม่ถ้าไม่สามารถหามาโดยวิธีที่สุดเจริญได้ก็จะต้องไปหามาโดยวิธีทุจริตไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเช่นไปยืมเงินยืมทองผู้อื่นแต่ไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาที่จะใช้คืนเขาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการลักทรัพย์ เหมือนกันเมื่อมีการกระทำบาปแล้วบาปนี้แลเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะส่งให้ผู้ที่กระทำบาปนั้นไปเกิดในอบายอบายก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือเดราาัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่คือที่ไปของดวงจิตดวงใจของผู้ที่ทำบาปทำกรรม ในขณะที่มีชีวิตอยู่ร่างกายนี้ตายไปร่างกายนี้ไม่ได้ไปเกิดในอบายแต่ผู้ไปเกิดในอบายก็คือใจใจนี้เปรียบเหมือนกับคนขับรถรถนี้เวลาพังแล้วคนขับรถก็ทิ้งรถไปแล้วก็ไปหารถใหม่ถ้าทำบุญก็ได้รถที่ดีมีราคาแพงๆถ้าทำบาปก็จะไม่ได้รถ แล้วยังต้องไปใช้บาปใช้กรรมในคุกในตารางอีกอย่างนี้คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รับผลของบาปของกรรมที่ใจได้ทำเอาไว้ในชาตินี้และในอดีตชาติที่ยังไม่ได้ส่งผลเมื่อถึงเวลามันก็จะส่งผลเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ บางต้นก็ออกดอกออกผลเร็วบางต้นก็ออกดอกออกผลช้าต้นที่ยังไม่ออกดอกก็รอเวลาพอถึงเวลาเขาก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาดังนั้นขอให้เราจงเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าการทำบาสนั้นจะนาพาเราไปสู่ความวิบัติทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตตระชาติที่จะตามมาต่อไป ในปัจจุบันชาติก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความยากความลำบากเพราะการกระทำบาปหรือการกระทำอบายามุกทั้งหลายนี้มีแต่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเช่นถ้าเราไปมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนหรือสามีมากกว่าหนึ่งคนเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมา ภรรยาหรือสามีถ้าเขารู้เขา้าเขาก็จะเกิดความเสียใจเขาก็จะเกิดความโกรธเกลียดเกิดความแค้นขึ้นมาถ้าเขาโกรธมากๆาเกลียดมากๆเขาก็อาจจะฆ่าเราได้นี่เป็นผลยกตัวอย่างให้ให้ดูไม่ว่าจะเป็นการทําบาปชนิดใดก็ตามมีแต่ผลเสียตามมา ไปฆ่าผู้อื่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ, อยู่แบบคนธรรมดาคนปกติไม่ได้ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ อ, อยู่ด้วยความหวาดกลัวแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถ้าเป็นโทษที่ร้ายแรงก็ถึงกับโทษประหารนี่เกิดจากการกระทําบาปเกิดจากการไปเกี่ยวข้องกับอาบายามุขทั้งหลาย ถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากเรื่องวุ่นวายต่างๆเราก็ต้องละเว้นเรื่องการทำบาตเรื่องอาบายยมุกทั้งหลายไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยของพวกเราที่จะทำกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนอื่นทำไมเขาทำได้เช่นพระสงองค์เจ้าทำไมเขาทำได้ทำไมเขารักษาศีลได้ทำไมเขาระเว้นอาบายยมุกต่างๆได้ เราก็เป็นคนเหมือนเราเราก็เป็นคนเหมือนเขาไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรอยู่ที่ว่าเรามีศรัทธารู้เปล่าอยู่ที่ว่าเรามีสัมมาทิฏฐิรือเปล่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราเห็นว่าบาปกรรมนี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตของเราอบายมุขเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตของเราเป็นเหมือนงูพิษเป็นเหมือนลูกระเบิดมีใครบ้างอยากจะอยู่ใกล้งูพิษ เรา อ, อยากจะมีลูกระเบิดเก็บไว้ในบ้านไม่มีใครหรอกถ้าเป็นคนฉลาดถ้าเป็นคนไม่เสียสติมีแต่คนที่เสียสติเท่านั้นคนที่วิกลจริตเท่านั้นที่ชอบมีงูไว้ในบ้านมีลูกระเบิดไว้ในบ้านฉันใดคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะเป็นเหมือนคนวิกลจริตที่จะชอบเกี่ยวข้องกับการทําบาปชอบเกี่ยวข้องกับการกับอบายามุกทั้งหลาย ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนงูพิษที่จะกัดเราในลำดับต่อไปหรือเป็นลูกระเบิดเวลาที่จะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วเราจะไม่กล้าเข้าใกล้าการกระทำบาปจะไม่กล้าเข้าใกล้าการการประพฤต เกี่ยวกับเรื่องของอบายามุขทั้งหลายดังนั้นขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดถ้าเรายังไม่เชื่อในด้วยตัวของเราเองขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วทรงเห็นแล้วว่ามันมีแต่โทษอย่างเดียวเรื่องของบาปเรื่องของอบายามุขขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนเรากับเชื่อหมอ หมอห้ามให้ให้เรากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้หมอสั่งให้เราใส่หน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อโรคเราก็ต้องเชื่อหมอถ้าเราไม่อยากที่จะติดโรคติดภัยหรืออยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องเชื่อตามคำสั่งของหมอเพราะหมอเขาฉลาดกว่าเราหมอก็มีความรู้มากกว่าเนั่นเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีสัมาทิฏฐิครบร้อยเปอร์เซพวกเรานี้ยังมีไม่ครบร้อยเอร์เซหรืออาจจะมีไม่มหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อาจจะเห็นว่าเรื่องทำบาปเป็นเรื่องปกติตายไปแล้วศูนย์ไม่มีการที่จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปคนที่ทำบาปล่ำรวยกันมีเยอะแยะไปคนที่ทำบาปแล้วจเจริญก้าวหน้าใหญ่โตมีถมเถไป ทำไมเราจะมามาม า, มาไม่ทําบาปทําไมเราไม่ทําบาปเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับเขานี่คือความคิดของคนวิกลจริตของคนที่ขาดสัมมาทิฏฐิหรือคนที่มีมิจฉาทิฏฐิจะคิดอย่างนี้ดังนั้นเราอย่าคิดอย่างนี้เราถ้าเราคิดอย่างนี้ขอให้เราเปลี่ยนความคิดขอให้เรามาคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราคิด ให้เราทำทำไปเถิดพอเราทำไปแล้วไม่นานเราก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นมาในใจว่าการกระทำทางพระพุทธศาสนานี้ความเจริญหรือความเสือ่อมไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ความนำ่ำเวนยหรือความยากจนไม่ได้อยู่ที่การมีฐานะมีตำแหน่งสูงสูงหรือไม่มีตำแหน่งฐานะต่างๆแต่อยู่ที่จิตใจ ที่มีความน้มเย็นเป็นสุขหรือมีความทุกข์ร้อนมีความวุ่นวายใจนี่ต่างหากคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ภายนอกอย่าไปเข้าใจผิดว่าทำบุญให้ทานมากๆแล้วจะร่ำรวยจะมีเงินทองไหลามาเทมาอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหตุ หรือเป็นผลที่แท้จริงแต่มันก็เป็นไปได้มันเป็นผลรองหรือเป็นเป็นผลพลอยได้ถ้าเราทําดีคนเขาก็มีความนับถือมีความเชื่อในตัวเรามีความศรัทธาในตัวเราเขาก็อยากจะทํามาหากินกับเราทํามาค้าขายกับเราเขามีเขามีเขาต้องการอะไรเขาก็จะมาติดต่อกับเรามาซื้อกับเรา ก็ทำให้เราทำมาหากินได้สะดวกค่องแคล่วก็จะมีเงินทองไหลามาเทมาอย่างนี้เป็นผลพลอยได้ไม่ได้เป็นผลหลักผลหลักที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากการไม่ทำบาป ก, ก็คือจะทำให้ใจของเรามีความล่มเย็นเป็นสุดมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจมีความวคล่องคลาดปลอดภัยจากความหวาดกลัวจากความ ความทุกข์ความกังวลใจต่างๆนี่ต่างหากคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราทำควาเข้าใจอย่างนี้ไว้แล้วไว้แล้วไว้เถิดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเวลาเราทําบุญให้ทานหรือรักษาศีล ป, ปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่รวยสักทีเราไม่ได้ตําแหน่งที่ดีสักทีเราจะได้ไม่ทอแท้ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลหลักนั่นเองมันอาจจะเกิดขึ้นตามมาก็ได้ไม่อาจตามมาก็ได้เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันจึงอย่าไปมองไปตรงจุดนั้นขอให้มองเข้ามาในใจของเรามองที่ความสุขความสบายใจที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้เถอดถ้าถ้าเรามีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มแล้วเราก็ไม่ มีความรู้สึกอยากจะได้อะไรเราจะไม่เห็นว่ามีอะไรวิเศษเท่ากับความสงบสุขของใจเรามีเงินกองเท่าภูเขาก็ยังใจยังร้อนเป็นไฟได้มีตำแหน่งเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีใจก็ยังร้อนเป็นไฟได้ใจก็ยังหวาดกลัวได้ยังมีความทุกข์ได้แต่ถ้ามีธรรมะอยู่ในใจมีบุญมีกุศลอยู่ในใจเต็มรอยแล้วรับรองได้ว่า จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยจะไม่มีความหวาดกลัวอยู่ในใจจะไม่มีความวุ่นวายใจจะไม่มีความกังวลใจเลยใจจะมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นสบายไปตลอดไม่มีวันเสื่อมลายนี่แหละคือผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขาให้เรามองมาตรงนี้แล้วเราจะไม่เสื่อมศรัทธา เราจะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราทำมากขึ้นจิตใจของเราก็จะมีความนุ่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความกังวลน้อยลงไปจนไม่มีหลงเหลืออยู่เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างศรัทธาและปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อทําให้ศรัทธาของท่านนั้นเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหว เป็นอาจาระัท ธ, ธาคือศรัท ธ, ธาที่มั่นคงถาวรที่จะอยู่ติดไปกับใจของท่านไปตลอดถ้ามีศรัท ธ, ธาแบบนี้แล้วก็จะมีแต่จะไปถึงพระนิพพานโดยถ่ายเดียวไม่มีทางที่จะหลงกลับไปทางอบายอีกต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ